กนเป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติเรามาทำงานเหมือนกันคือปฏิบัติธรรมต้องให้ได้ฟังเรื่องการงานที่เราทำอยู่นี่การปฏิบัติธรรมนี่ก็คือเอากายเอาใจเป็นหลักสูตรให้มีจิตเป็นตัวศึกษา ยังจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อมีสติไปในกายไปในจิตใจก็จะเห็นเหตุการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมากมายอย่าออกมาเป็นปัญหาสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั้นอย่าหาคาตอบอย่พึ่งเอาผิดเอาถูก เอาอยากเอาง่ายให้มีสติผวนไปให้รู้สึกตัวเวลาปฏิบัติเนี่ยหัดตนสอนตนอย่างนี้ให้รู้สึกตัวกับอาการหลังต่างที่เกิดขึ้นกับปลายกับใจนั้นเป็นความงมื่อเหงาหอน อ, นอย่าถือว่าเป็นปัญหา จริงเหล่านี้แหละจะทำให้เราเกิดปัญญาสูงขึ้นไปได้ผ่านได้เห็นมามากอาจจะเป็นผู้เขาลูกแรกด้วยเราพริเจ้าก็โทษอย่างนี้ตัดอย่างนี้ผู้เขาลูกแรกที่ไม่ให้บรรลุคุณนามความดีคือนีว่อนและทำนั่น าปใครก็ผ่านตรงนี้กันทั้งนั้นเวลาปฏิบัติเวลาวิสติเป็นกายพวกมันจนกอกบรรยาการคุมขังอะไรต้องหาทางออกมันเป็นอิสระร่างกายนี่เป็นอิสระสาารณะอะไรมาใช่ก็ได้จิตใจก็เช่นกัน อะไรมาใช่ก็ได้เวลาเรามีสติเราเป็นผู้คุมหรือว่าเป็นเจ้าของมาให้อันเดินมาใช้เมืต้อตงแย่งใช้บ้างเป็นธรรมดาโจรมาบ้างอาการต่างๆที่มันจรมาบาดหมื่นสี่พันอย่าง เกิดขึ้นมาในกายในใจนี้ผู้มีสติไปในกาจะได้เห็นแลว้วกาไเป็นกรรมฐ า, านเป็นทิั้งมีภาวนาขยันอยู่ให้ขยันแข็งกระดับอาการตา่างๆแม้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ขยันรู้โดยรูปแบบกรรมฐ า, าน สมบัชญะบพะการเคลื่อนไหวกระตุ้นให้มันรู้สึกตัวช่วยเครื่องทุ่นแรงจะเกิดความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวนี่ม่ใชจะอยู่เฉยๆมันเหมือนกับอยู่มือนกับเราต้องเคลื่อนไหวไล่มันออกไปถ้าไม่เคลื่อนไหวมันไม่ออก การความอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากกับใจนี้การเคลื่อนไหวให้เป็นเคลื่อนไหวสมบัติชัญะลู้สึกระลึกได้เสมือนเป็นไล่ยยงไล่กัดออกจากกายนั่นละความเจ็บก็อาจจะหายไปแต่ว่าการไล่ยุงเป็นสัญชาติญาณของกาย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 เดชัญหาลาคะเป็เนเดชัญหาลาคะมาอย่างงั้นเราก็รับใช่เป็นอย่างนั้นมานานแล้วเวลามันหลงก็หลงปอยเวลามันโนกรก็โกรธอยเวลามันทุกข์ก็ทุกข์ไปเวลามันพอใจก็พอใจไปเวลามันไม่พอใจก็ไม่พอใจไปกับมันมันเป็นอย่างนั้นมานานแล้ว แบบัดนี้เรามามีสติเป็นเจ้าของให้มีความรู้สึกตัวไปแทนซะอะไรเกิดขึ้นมาใช่ได้ทั้งนั้นความรู้สึกตัวนี่ใช่ได้ทั้งนั้นรู้สึกระลึกได้ทันทีไว้ก่อนผ่านไปอ่ีก่อนจะเป็นร้ยเป็นดีอย่างไรก็ผ่านไปอย่ีก่อน อย่าเพิ่งหาคำตอบจากความคิดอย่างไปหาเหตุนะผลมาตอบมาอ้างเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเป็นสมมติเห ญ, ญัติของแต่ละคนเกิดขึ้นไม่ใช่ประมัดสัดจะจะอบัลบาลสัจจ่มันไม่เป็นอื่นอื่นมาคืออันเดียวกันเช่นความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้อง ความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องอย่างนี้แล้วก็มีสิทธิ์เวลาบันเกิดและการเข้ามาในคราวเดียวกันนั้นให้รู้สึกตัวสิทธิการใช้กับกายกับใะอย่างนี้หรือเป่าความเป็นธรรมกายจะได้รับความเป็นธรรมจิตใจจะได้รับความเป็นธรรมให้เกิดความชอบธรรม อย่างนี้เลยว่าความเจงความเทศของจริงก็ไม่มีสติเป็นต้นกำเนิดของผู้เจ้าของกายเจ้าของใจก็กายใจใจก็ไม่ไมีความแมรทมเลยหลับใจป่าเถื่อนสาทรณาจนเกินเหตุจนเป็นภาละเป็นจรินิสัย อาคาจะลุดผงแตงที่จะเกิดอาการต่างๆขึ้นโท่ชาจะหลุดความโกดออกหน้าโมหาจะลุดความหลูออกหน้าเป็นอย่างนั้นส่วนความพอใจไม่พอใจเด็ดชัดมากมันออกหน้าแล้วก็เห็นลูกหัวเรียนเสียงจมูกได้กลิ่นลิ่นได้ลดกายสมัมผัสใจคิด เรามาสัมผัสกันแล้วกอนพอใจไม่พอใจมันออกหน้าไปแล้วมันไปแล้วบทเรียนตรวนี้มีค่าผู้เจ้าจึงสอนไว้มีชดีในการเป็นจระจามีความเพียรเครื่อ ง, องเผาเจลดมิสมัติย่ะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาลูกสึกตัว ก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อคำสอนมีมาอานแล้วสอง0ันถูกอยปีมาแล้วพระเจ้าก็ได้หัดจากนี้จังเลยเป็นพุทธเจ้าถ้นเราไม่หัดจากนี้เราก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นคนโอนไปนไปหมดเลยคนก็ไปช่วนโลกไปช่วอบาย มันไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานมันมีสัญญาสังขารวิญญาณมีลูกมีนา ม, มอุปาทานมีภพมีชาติเกวดวโกรธก็เป็นภพเป็นชาติเรื่องเก่าอามกโกรธอีกโกรธแล้วโกรธอีกความทุกข์เรื่องเก่าก็มาทุกข์ได้ทุกข์อีกไม่มีภพมีชาติจากนี้สัตว์เดรัจฉานไม่มีไม่มีอย่างนี้ จนเราตีหมามขาหักไปเก็บขาไม่ยังลืมไปแล้วไปเห็นเจ้าของก็หลอกเข้ามาหาหวันน้อมถอนตัวเข้ามาหาคนเพืองแต่ว่าโกรธก็เบาหน้ากันไม่ออกกลายเป็นเรื่องไล่ไปเลยนี่เรววาบอกคนเป็นปนกันไปไม่เหมือนจัดก์มันจำมาไว้สัญญามันจําไหม สังขารมันปุงก็ไว้วิญญาณมันติดเรื่องงั่นไว้การเป็นประธานในขันห้ายึดมันถือมันทำคาญเป็นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนปฏิบัตธิธรรมคือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้จึกระลึกได้เป็นตะตาเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเอง สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายเป็นเช่นนั้นเองสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับใจเป็นเช่นนั้นเองถ้มีสติจะง่ายๆอย่างนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ถ้าไม่มีสติจะไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ก็ทำได้นันก็ทําไม่ได้ไม่ไหวยุ่งยากจนเกิดความเครียดเบื่อหน่าย ถ้าเป็นถาตาก็ง่ายง่ายลื่นลื่นบเบาไม่หนักเป็นทางไปง่ายง่ายมันผ่านไปเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางตันถ้าเราไม่มีสติก็เป็นทางตันซะไปไม่ได้เพียงจะเจอความง่วงก็ไปไม่ได้เจอความคิดฟุ่งซ้านก็ไปไม่ได้หบกระเป๋ากลับบ้าน ว่าจะมาปฏิบัติอยู่เท่านั้นเท่านี้เราเจอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเกิด้ายกิดใจก่อไม่เอาอีกแล้วคับการทำกับผู้กับบ้านหรือเอามาปฏิบัติมาชิดตุ่นชิดนี้อันนั้นก็ยังไม่เฉดอันนี้ก็ยังไม่เชิดห่วงหน้าห่วงหลังเชี่ยวปูกปุกคอปลุกศอกแต่นอกนะ ถามีสติตั้งหลักเป็นสติจริงๆรู้สึกระลึกได้จริงๆเห็นเรื่องนี้มันสนุกจะเป็นปัญญาจะเลื่อนฐานะเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆมันได้ปัญญาจากปัญหาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้พระเจ้าก็ไม่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบาน รู้แจ้งโลกโลกกวิธูลูกแจ้งโลกเมือเ่อการเกิดเฉดจะตายแต่ก่อนเจ็บเป็นเจ็บทุกข์เป็นทุกข์หมดนี้มันมีสติสติสติสตินี้กลายเป็นปัญญาเป็นศิลเป็นสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาก็ทําให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องสว่างมีโลกโกรธหลงไปตุน้น มันกำจัดศีลเป็นเครื่องมือศีลเป็นเครื่องกำจัดทุกหรือาพุทโธทุกขัสสทาตาจาวิคาตาจาวิตัตสเมตพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกธรรมโมทุกขัสสะคาตาจาวิคาตาจาวิตัตสเมพอรธรรมมเจ้าเป็นเครื่องกันจัดทุก สังโฆทุกขศักขาตาจับวิขาตาจัยนัจจเบเป้าสูงกระเจ้าเป็นเครื่องกระจัดทุกคือคนทำมันเนี่ยงั้นใช่พระเจ้าที่เป็นผู้เป็นคนโดนบานั่นพระเจ้าเป็นภาษาคนพระเจ้าภาษาธรรคือธรรมะพูดไอเห็นธรรมผู้นั้นเห็นว่าพระเจ้าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้ดใดเห็นปฏิจจสมบัติผูนั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นอาการหลักต่างเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับกายกับใจอย่างนี้เพราะหลงมันจึงเกิดไหลขึ้นมาถ้าไม่หลงรู้จักตัวก็มันก็ไม่เกิดเพราะฉินี้มีฉิงนี้จึงมีแล้วก็มันก็มีวัตถุอาการในโลกนี้ในกายในใจเรานี้ ไม่ามีหูไม่จะบโบกไม่ลื่นมีกายไม่ใจแล้วก็มีรูกไม่ลถมีกินไม่เสียงสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบเราไม่มีหลักก็พัดไปปลิวไปโล่นปลิวไปนี่ไม่มีหลักกรรมฐานไมีที่ตั้งไม่มีภาวนาขยันไว้รู้ไววอาจจะขยันหลง อาจจะมากกว่าขยันหลงลองดูซิเวลาเราใส่ใจถิ่นลูกสึกตัวโดยวิชากรรมฐานเคลื่อนไหวสมปัจจยาบพะสิบีจังหวะมัรลกทุกจังหวะไหมชั่วโมงหนึ่งประมาณสอง0ันหกร้อยลูกรรลถึงส6 0พันหกร้อยลูกไห ม, 3, มเคยมีไหมขยันลูกอย่างเนี้ย วิชาทีละลูเนี่ยเดินระหวันกันอาจะไวกว่าการสราา้างช่ว่าเดินชั่วโมงเหอจะเป็นห้าพันหกพันเก้าเกหนึ่งก็ลูกึกระลึกได้ถึงหน้าพันหกพันการลูก เื้นับก้าลู่เฉกไปเรื่อยๆจากวัดปะจุกโตไปภูกรทองจากสลากกดเดินลัดไปทางสะพานเขียนนนแต่ก่อนไม่มีถนนสายนี้บ้านนี้เป็นเกาะเวลาน้ำท่วมไปไหนไม่ได้น้ำระเบิดเทาเป็นขวางขั้นไว้หมดเดินจากสลาเกลไปถึงประตูวัดภูดกรทองห้าพัน สามรเจ็ดเก้า 79, หรือห้าพันสามรอยสิบเก้าับทุกวันเพราะอยู่คนเดียวสองวันิีตอนเช้าไว้ฉันห้าเท่นั้นแล้วก็มาเดินมานี่มาดูห่วนดูนี่ตอนเย็นอาบน้ำแล้วเอาผ้าผ้ า, ผาไว้ท่านาให้คนได้เห็นว่า้าอาบน้ำตาดกตรงนี้ยังมีพระอยู่ ก็ยอมข้าหมหาก็เดินกลับไปวัดภูขอทองเดินทุกวันก็หัดลู่ไปลู่ไปลูไป่ไหลู่ไปัดทุกลูแบบเพื่อกับการชำนาญเป็นศาสตร์เป็นชินในการใช้กายมันก็สนุกดีเป็นใหญ่ในกายเป็นใหญ่ในใ จ, จตินี่ครื่องควมรู้ชึกตัวนี่ เราไม่หัดก็ไม่เป็นอาจจะหลงเปิดมาถึงวันนี่ปูนนี่ความหลงกับความรู้มันเป็นอย่างไรให้ความเป็นธรรมต่อกายต่อใจไหมกายใจจะรับความเป็นธรรมไหมเมื่อไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษของตนเองก็ไม่ได้ เมื่อครองตัวยังไม่ได้ก็ครองคนอื่นก็ไม่ได้ครองงานครองการก็ไม่ได้ครองศาสตร์หนาก็ไม่ได้ปิดพนากเป็นปัญหาต่อตัวเงแล้วคนอื่นต่อครอบครัวต่อประเทศชาติต่อโลกไม่มีโลกกับวิถีไม่มีโลกกับบางครื่งของโลก ก็คุ้มครองตัวเองได้ความเป็นธมเกิดขึ้นในเราแล้วก็เลยความเป็นธรต่อไปเรื่อยๆไปเราจะมาประกันน่าจะขอบคุณความหลงน่าจะควบคุมควรมทุกน่าจะขอบคุณความโกรธความโลภสิริตัญหาหลาาักแล้วก็เลยสูงเึ้นไปเพราะเรื่องนี้ แล้วไม่มีเรื่องนี่เราก็ไม่สูงไม่ชื่อว่ามนุษย์ใจสูงมันหนึ่งจึงเหนื่อเจ็บเจ็บตายเพราะมันมีแก่มีเจ็บ ม, มีตายเป็นทุกข์นี่หลงเป็นหลงก็มีทางเกิดเจ็บเจ็บตายเวียนว่าเธจเกิดอยู่นี่จะหลงเป็นลูกเธอหลงเป็นลูกโกรธเป็นลูกทุกข์เป็นลู่มันก็เหนือไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ มันลาดขึ้นไปงั้นถ้าจะเปรียบเหมือนกันมะขุนนิพพานอยู่ชุ้งชุมันไม่ใช่หน้าผาปฏิบัติทำมาทั้งในลาดไปง่ายๆอย่างนี้ถ้าหลงเป็นลูกโกรธเป็นลูกทุกข์เป็นลูกอะไรเกิดขึ้นมาเป็นลูกไปทางนี้ถ้าหลงเป็นหลงเป็นหน้าผาไม่ชันขึ้นไม่ได้ ให้ลาดเองปฏิบัติทำให้ลาดง่ายเพียงง่ายขึ้นง่ายผ่านง่ายแต่ไปห้ามหลงห้ามก้มโคตรรับไปได้ไอ้ลูกชิ้ตัวชิเตียงเราทุกข์ก็รู้สิกตัวเน่ยมันลาดแล้วเหวือนเหมือนทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์กนจากทุกข์ง่ายอย่างนี้ หลงเป็นหลงก็เป็นพบเป็นชาติไปก็ไปอย่างนี้กันทุกชีวิตนั่นแหละทำเดียวกันทุกท่เดินทางสายเดียวกันไปคนเดียวไปจูดที่เดียวกันคือไปอย่างนี้เหละไม่ใช่ชาติวันนะ่ะที่ในกายเพทย์ไหวโดวยทั้งสิ้นศาสนาไหนทั้งสิ้น เรามีการวิจัยเหมือนกับหมดคนในโลกนี่ตกแสงแดดก็ร้อนหลองฝนก็หนาวเหมือนกันหมดจึงเป็นดเดียวกันเนี่ยชาติโดยภาษาใดคนแก่คนหนุ่มนักปวดทาชาว่าเจ้าจนหลงกันเดียวกันโกรกันเดียวกันทุกคนเดียวกันวิธีแก้ก็อย่างเดียวกันสิทธิอย่างเดียวกัน อะไรมันยากมีค้อมแล้วเนี่ยในความหลงก็มีความไม่หลงอยู่นั่นในความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่ด้านแล้วในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่นั่นแล้วมีสิทธิเปลี่ยนได้ในโอกาสด้านแล้วคราวเดียวกันนั้นไม่มีใครมาแย่งไม่ต้องขออญาตจากใครไม่ใช่ไปถามใครตอบได้เอง มีสิทธิได้เองเรามาปฏิบัตธรรมมามีสิทธิร้อยเป์เซนในเรื่องนี้แลเราก็ให้โอกาสเจาะกันแล้วกันเวลาเช่ า, ชากระสีคล้องมาหลวมกันให้โอกาสให้สัญญาเพื่อจะได้ไม่ประมาทแล้วก็มาแสดงทําให้ฟองเพื่อให้เกิด เครื่องมือในการปฏิบัตินาไปปฏิบัติเพียงพอพูดอย่างนี้เอาไปใช้ได้ตลอดายเลยไนเย็นเนอะทุกคนอย่างนี้ในความโกรธก็มีความโกรธนะสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์ก็มีในโลกนี้ ทำไมจึงไปอยู่ตรงนั้นมามาทางนี้มาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําคิดตามมาอย่างนี้มาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ำจงละความเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลก็ถึงมักถึงผลง่ายๆมาแบบนี้มาง่ายๆอาจจะหนึ่งวันเจ็ดวันก็ได้ ถ้าหลงคือรู้มันทุกข์คือรู้มันกอดคืรู้ง่วงคือรู้คิดคือรู้ง่ายง่าอย่างนี้ดวนจักหน่อยอย่างนี้มือนกระถางด่วนดวนอย่างนี้ถ้าสุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟงซาก็รู้ผิดก็รู้ถูกก็รู้อย่างเนี้อ่ะมันจะด่วนมากทีเดียวเลยถ้าห ล, ลงเป็นลหลงเหรอ รถแม่ค้าขายผัดมันรถไปรถแม่ค้าจอดทุกสถานีไม่ใช่รถ ด, ด่วนรถเร็วรถอะไรเขาหน ต, ตาเคยเป็นด่งรถเร็วไวที่ประเทศจีนชั่วโมงหนึ่งสองร้อยหกสิบกมถึงสามร้อยกมชั่วโมงหนึ่ง ไม่มีประเทศไทยหรอมีประเทศไทยก็ลังจะทำแบบนั้นนแต่ว่าก็เงร้หมองนะทางที่ได้ลถววิ่งผ่านหนละ้กเศ้าหมองเงียบสงบการค้าการ ข, า, า, ขายเมืองต่างๆเงียบสงบไปเลยวมันไม่จอดพจอดเบืองใหญ่คนแน่นกันเบียดกัน เมือเล็กๆ น, น้อยมานข้าหัวไปเลยก็ดีแบบหนึ่งแต่มันไม่ดีแบบหนึ่งนี่รถร้อยด่วนฟรีเวไปที่วัตธรรมสติปัะฐานนี่ฟรีเวมีแต่ไฟเขียวผ่านได้ตลอดรู้จักตัวรู้จึกตัวรู้จักเล็กได้รู้จักตัวเนี่ยแล้วก็ประกอบอยู่เนี่ย ที่ชีจังหาะรู่เอารู่นี่ไม่ใช่ว่ารอให้อะไรถูกจะก่อนหอเหมือนวัวดื้ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อเวลาใส่เกี่ยนต้องไล่ไม่ไปต้องไม่เลี้ยวตีลงไปให้ถูกเสียก่อนจึงค่อยไ ป, ไป ดื้อไปก็นันถ้าเไม่เลี้ยวถูกแล้วยังไม่ไปให้เห็นเลือดออกเช่ก่อนนี้กว็ไหวังทีก็ดื้อมา ก, ก่านั่นถ้ายังไม่ล้มก็ยังไม่ไปหรอกเจ็บขนาด น, นั้นก็ยังไม่ไปหัวดื้อชนยาก